ธรรมะนี่เปรียบเหมือนยานะจึงมีคำอย่างที่เราคุ้นก็น ค, คือว่าธรรมโอสดนะโอสถคือธรรมที่ว่าธรรมะเป็นยาก็เพราะว่าช่วยบรรเทาความทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกกายเหมือนยาทั่วไปนะบรรเทาความทุกข์ใจนี้ ทำมออกก็เช่นเดียวกับยาที่รักษากายนะเหมือนกันอย่างหนึ่งอีอย่างนึงก็คือว่าต้องรู้จักใช้ยาเนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อรู้จักใช้ให้เหมาะกับโรคให้เหมาะกับบุคคลไม่ใช่ว่ายาดีแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้กับทุกคนทุกกรณีทุกโรคนะ ถ้าไม่เหมาะกับบางกรณีนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะเกิดโทษได้อย่างเช่นยากระตุ้นเนี่ยนะถ้ามาใช้กับคนนะที่มีความดันสูงนะมันก็เป็นอันตรายจะใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อนะใช้คนที่ความดันต่ําเนี่ยเออใช้กระตุน้น หรือเอาแล้ความดันก็เหมือนกันนะถ้ามาใช้กับคนที่ความดันต่ำเนี่ยมันก็เป็นโทษเป็นอันตรายเหมาะสำหรับคนที่มีความดันสูงธรรมะในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะแม้ว่าจะเรียกว่าธรรมโอสถแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกกรณีหรือว่าทุกโรคเสมอไป อย่างเช่นเวลาเวล า, เวลาเจ็ตฟุ้งซ่านเนี่ยจตฟุง้งซานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาธรรมะบางข้อนี้มาใช้มันก็จะเกิดปัญหาได้มันมีธรรมะหมวดหนึ่งนะชื่อว่าโพ่ชงพ่ชงก็มีเจ็ดประการ พ่อชงตอนนี้ก็คนไทยก็รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าได้มีการรณรงค์ให้สวดพ่ดชงพ่ชงขับปริษถวายกับพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยให้หายจากความเจ็บป่วยหลายคนก็ไม่รู้นะว่าพชงนี่หมายถึงอะไรนะพ่ชงเนี่ยความหมายจริงๆคือว่าองค์ทำสาหรับการตัดสรู้ ซึ่งมีเจประการเริ่มต้นด้วยสติตามด้วยธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือแปลว่าสอด ส, ส่องทมก็จะว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะเพราะาเราสอดส่องคํนี่เราก็ใช้ปัญญาในการเลือกเฟ้นทมจากธรรมวิจยะก็เป็นวิริยะความเพียรแลว้วก็ปิตินะความอิ่มใจอิ่มเ อ, อิบ ตามปด้วยปัสสัตทิความผ่อนคลายสงบเย็นทั้งกายและใจแล้วก็สมาธิและปุูเบคขาที่พ่ชงครับปริที่ตอนนี้กำลังสวยกันทั้งประเทศเนี่ยถวายในหลวงเนี่ยก็คือการประสูตยที่พูดถึงคุณธรรมเจ็ดประการซึ่งชาวพูดเราเชื่อว่า สามารถจะช่วยบรรเทาโรคได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยที่พระองค์อาพาธนี่พระจุนทาก็ได้สวดพ่อชงนะพูดถึงอนิสงค์ของทำเจ็ประการที่ว่าเนี่ก็ทําให้พระองค์หายจากอาพาธได้คนก็เลยเชื่อว่ามีพ่อชงครับปริษเนี่ยมีมีฤทธิ์มีอนิสง์ในทางทําให้หายเจ็บหายป่วย ก็ที่มส่วนให้กับคนไข้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยอา น, นิสงส์จริงๆเนี่ยนะก็คือช่วยทำให้หายจากความทุกข์ใจนะหายจากความป่วยใจก็คือว่าพอรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะนะให้ความทุกข์ใจทั้งมวลนะมันก็จะหายไปกิจก็เป็นอิสระนะไกลจากความทุกข์อันนี้ โทษชงเจ็ดเนี่ยนะถ้าเราไม่นับตัวแรกนะี่คือสตินะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยจะ แ, แบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนแรกคือธรรมวิจยะแล้วก็วิริยะปิตินะอันนี้ส่วนหนึ่งนะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เหลือนี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือ ปัสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาที่ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งก็เพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยนะถ้าหาว่าฟุ้งซ่านนะคนที่กำลังฟุ้งซ่านเนี่ยเกิดใช้ทใหมวิทยะหรือวิริยะนะหรือว่าปิติเนี่ยยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่นะแม้ว่าธรรมะเหล่านี้จะเป็นของดีนะช่วยตัดสรูได้ แต่ว่าใครที่ฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็ไปใช้ธรรมวิจยะหรือว่าไปเติมความเพียรให้มากขึ้นหรือว่าเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยยิ่งฟุ้งใหญ่เลยนะผู้เจ้าเปลี่ยนมาว่ากองไฟที่ลุกโพรงเนี่ยถ้าเอาญ้าแห้งถ้าอยากจะดับมันนะแต่คืนเอาญ้าแห้งใส่เข้าไปนะเอาโคไมโครไมค์ก็คือมูลมูลสัตว์นะมูลวัวเนี่ยใส่เข้าไปมันยิ่งลุกโพรงเข้าไปใหญ่เลย พุจ้ตัดว่าต้องใช้ยาสดนะใช้ยาสดนะขับโยนเข้าไปในกองเพลิงนั่นแหละมันนึงจากค่อยๆมอดหมายความว่าเวลาฟุ้งร่านเนี่ยอย่านะอย่าใช้ธรรม ะ, ะพ่อชงกลุ่มแรกนะต้องใช้พ่อชงกลุ่มหลังก็คือว่าปัสธินะสมาธิแล้วก็อุเบกขา ในทางตรงข้ามนะใครที่กำลังเบื่อนายนะหรือว่าระเหียดใจหรือว่าเซ็งเ่นะถ้าเกิดว่าไปใช้ธรรมะกลุ่มหลังนะนะเช่นปัต ส, สัทธนะิสงบเย็นผ่อนคลายกายใจหรือว่าสมาธินะหรือว่าอุเบกขาเนะี่ยยิ่งเฉื่อยก็ไปใหญ่เลยพรนะพุทธเจ้าก็ไม่แน้น น, นะพระพุทธเจ้าบอกวันเปลียนก็เหมือนกับว่านะ ไฟกองที่มันกําลังจะมันจะดับเนี่ยเราต้องกับต้องการทําให้มันลุกโพลงขึ้นมาเนี่ยนะแล้วดันไปใส่เอาหญ้าสดนะใส่เข้าไปมันก็ยิ่งดับก็ไม่ใหญ่ไม่ถูกนะไฟที่กําลังจะมอ น, นี่แล้วเราต้องการทําให้มันลุกพลงเนี่ยต้องเติมอะไรนะเติมหญ้าแห้งนะมูลวัว ม, มูลสัตว์ที่แห้งใส่เข้าไป ก็คือต้องเติมเอาธรรมวิจยะนะเอาวิริยะนะเอาปิติเนี่ยใส่เข้าไปนะอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราศึกษาธรรมะเนี่ยแล้วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะว่าธรรมะเนี่ยแม้จะดีธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อแม้จะดีแต่เราก็ต้องรู้ว่าข้อมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนอย่างไรบ้าง เหมาะกับโรคอะไรเหมาะกับกรณีอะไรถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะใช้ถูกเหมือนกับเราใช้ยารักษาคนป่วยไม่ใช่ว่าเห็นว่าธรรมะอันไหนดีก็เอามาใช้นะโดยที่ไม่ได้โดยที่ไม่ได้ ด, ไไ ด, ดูเหตุดูปัจจัยหรือว่าดูกรณีในสายพุทธการเนี่ยนะก็มี มีพระที่ท่านปฏิบัติเพื่อพุ่งมุ่งความพ้นทุกข์นะและบางท่านท่านก็ทําความเพียรมากไปทําความเพียรเนี่ยเป็นของดีนะแต่ถ้ามากไปนะจิตฟุ้งซ่านนะอย่างพระสณนะกุลิวิสาเนี่ยท่านทําความเพียรมากนะไม่หลับไม่นอนนะจะเอาให้ได้ท่านเดินจงกรบจนกระทั่ง เท้าเป็นแผลเพราะว่าเท้าท่านเนี่ยมีผิวที่อ่อนนุ่มเขาเรียกเป็นสุกุมารา c h a สกุมารชา ต, าชาตคือว่าผิวอ่อนนุ่มนะผิวสวยนะแต่ว่าพอเดินจงกระมากๆเนี่ยมันก็แตกเลือดไหลซิปเป็นทางเลยท่านเดินไม่ได้เท่ากับครานเราก็ดูก็เป็นก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ดีนะเพราะว่าเพียนมากไป ขึนชื่อว่าความเพียรเป็นของดีแต่ถ้าเพียรมากไปก็กลายเป็นไม่ดีได้นะท่านทําเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เห็นธรรมจนะทั่งเกิดความท้อจนพระพุทธเจ้ า, าเสด็จมาแล้วก็เตือนให้เตือนให้ท่านตรหนักนะว่าความเพียรที่มากไปเนี่ยมันทําให้ฟุ้งซ่านนะเปรียบโดยเปรียบการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับการดีดพินนะ พสะสนนี้ท่านเคยเป็นนักดนตรีนะโดยเพราะเชี่ยวชาญเรื่องการดีดพินพระเจ้าก็เลยเอาเรื่องพินนี่แหละมามาสอนว่าเนี่ยพินเนี่ยนะถ้าหากว่าถึงตึงไปเนี่ยดีดมันเพาะไหมสายพินน่ะถ้าถึงตึงไปดีก็ไม่เพาะถ้าย่อนไปก็ไม่เพาะต้องถึงสายพินพอดีพอดี แล้ววิจารก็ตรบว่าเนี่ยความเพียรถ้ามากไปก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านนะถ้าหย่อนไปก็ทำให้ถ้าความเพียร น, น้อยไปก็ทำให้เชื่อชาขี้เกียจพอได้ฟังอย่างนี้เนี่ยนะพรสนนะก็ก็ได้สติเลยนะนะท่านก็ทำความเพียรให้หย่อนลงมานะไม่ใช่ว่าวิริยะนี่เป็นพ่ชงเป็นหนึ่งในพ่อชงแล้วนี่นะ ทำยิ่งมากยิ่งดีนะมันขึ้นอยู่กรณีด้วยนะถ้าฟุ้งซ่านมากแล้วทําความเพียรมากไปก็ยิ่งฟุ้งซ่านก็ไปใหญ่ต้องหย่อนลงมาเบอกว่าพอท่านหย่อนความเพียรลงมาหน่อยนะในสุดก็บรรลุธรรมได้พระอานนท์ก็เหมือนกันนะพระอานนท์เนี่ยท่านได้รับมอบหมายให้ไปร่วมเป็นร่วมสังคีณาครั้งแรก หลังพุทธปรินิพานนะแต่ว่าท่านมีควัดติดขาดอยู่ตรงหน่อยก็คือว่าผู้ที่จะร่วมสังคยนาต้องเป็นพระอาหารหันต์นะมีแล้วก็499รูปขาดขาดอีกหนึ่งรูปนะรูปที่500คือพระอานนท์แต่ว่าติดขาดตรงที่ว่าท่านยังเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นเนี่ยท่านจะเข้ามาร่วมสังขยานาได้เนี่ยท่านต้องเป็นต้องปฏิบัติจนได้เป็นพระอาหารหันต์ ท่านก็เป็นคนสาคัญด้วยเพราะว่าท่านทรงจำคำสอนของผู้เจ้าไว้เยอะมากนะความจำดีมากเป็นพระหูสูตรเป็นเอตทัคคะด้านประหูสูตรท่านะนก็เลยทำความเพียร น, นะทำความเพียรจนกระทั่งถึงก่อนวันสังเกตนาท่านก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยจนกลางคืนเนี่ยตกตึกเนี่ยท่านก็ยังไม่เห็นทำ เรีว่าอรหัตผลเลยแล้วท่านก็มันนึกมามาไตรตรองดูนะอันนี้คงเป็นธรรมวิทยะหรือการพิจารณาใคร่ครวญท้าคิดว่าเนี่ยคงเป็นเพราะเราทําความเปลี่ยนมากไปจิตจึงฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะพักสักหน่อยอท่านก็เลยคิดว่าจะพักสักหน่อยเนี่ยก็เลยนะจะนอนจะเอนกายค่ะที่ ศีส่าสยังไม่ถึงยังไม่แตะหมอนแล้วก็เท้านี่ก็ยกพื้นขึ้นมายังไม่ทันจะอ่าเท้ายังลอยอยู่นะยังไม่ทันที่จะจะนอนบนเตียงบอกว่าจิตที่ผ่อนคลายขอยงท่านก็ทําให้ท่านเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในอิเรีย บ, บที่เรียกว่าไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ทั้งสี่นะตรงกลางกลางนะ ระหว่างที่จะระหว่างที่กําลังจะนอนแต่ไม่ทันได้นอนเพราะศีรษะยังไม่ได้แตะหมอนนะเท้าก็ไม่ได้แตะพื้นยังลอยอยู่นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าอาแม้ความเพียรเป็นของดีจักว่เป็นหนึ่งในโพวชงเจ็ดนะแต่ว่าอา่มันก็มีข้อจํากัดนะในกรณีที่ปฏิบัติละฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยนะก็ต้องใช้ธรรมะข้ออื่นเข้ามา ขึ้นชื่อว่ายาแล้วเนี่ยหรือว่าธรรมะเนี่ยธรรมะอดสถดเนี่ยนะเราต้องฉลาดในการใช้นะรู้ว่ายาเนี่ยหรืออดสถเนี่ยมันจะเหมาะกับกรณีใดไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทั่วไปหมดอันนี้รวมไปถึงคำแนะนำนะคาแนะนำนะครูบาอาจารย์เวลาแนะนำเสร็จเนี่ย บางทีสทิแต่ละคนท่านก็แนะนําไม่เหมือนกันนะคนบางคนไม่เข้าใจก็สงสัยว่าอาจารย์นี่ทําไมสอนไม่เหมือนกันคนนี้สอนอย่างหนึ่งคนนั้นสอนอีกอย่างหนึ่งนะสมัยที่หลวงพ่อเฟื่องโชติโกเนี่ยท่านเป็นพระหนุ่มนะหลวงพ่อเฟื่องนี่ท่านมรรับภาพไปสามสิบปีแล้วนะท่านเป็นลูกศิษย์อ่าท่านพอดลีนะวัดอโศกการามท่าน เคยจา่าฤทธุดงไปหาหลวงปู่มั่นอันนี้ประมาณสัก 60-60-70 ปีมาแล้วนะก็ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนะในช่วงปลายๆของหลวงปู่มั่นท่านก็ได้ได้เรียนรู้นะธรรมะจากหลวงปู่มั่นเยอะแต่ก็มีคราวหนึ่งที่ท่านสงสัยนะว่าหลวงปู่มั่นนี่ท่านสอนยังไงก็คือมีพระเวลามีมีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะป่วยนะป่วย แล้วจะขอยาหลวงปู่มั่นพอรู้เขาก็เอ็ดเลยนะว่านี่เอาอะไรเป็นสารณะเอาพระติจาเป็นสารณะหรือเอายาเป็นสารณะนะนับถือาศาสนาพรือนับถือาศาสนายานะตกลงก็ไม่ให้ฉันยานะส่วนอีกรูปหนึ่งเนี่ยป่วยนะอ า, าพาธท่านไม่ยอมกินยาเลยเอาแต่ใช้สมาธิ หลวงปู่มั่นพอรู้ก็เอ็ดเลยนะว่ายามีทำไมไม่กินนะยามีทำไมไม่กินทำไมทำตัวเป็นคนเลี้ยงยาแบบนี้นะลูกศิษย์นี่งงเลยนะหลวงพ่อเฟืองนี่งงเลยองค์หนึ่งบอกว่าอย่ากินยาองค์หนึ่งบอกว่าให้กินยานะที่จริงเนี่ยท่านเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ใช่ว่าไม่คงเส้นคงวานะก็อย่างที่บอกว่าคือยาเนี่ยมันดีก็จริงแต่ว่า มันเหมาะกับคนบางคนมันไม่ใช่เหมาะกับทุกคนนะคนบางคนเนี่ยอ่อนแอนะเออาร์ AI แล้วจะก็จะกินยานะท่านก็บอกอย่ากินนะแต่คนบางคนเนี่ยนะไปป่วยแล้วเนี่ยนะแล้วก็ดื้อไม่อยอมกินยาเนี่ยนะคนที่ดื้อเนี่ยท่านก็ก็จะดุว่าให้กินยาส่วนคนที่อ่อนแอนะจะกินยาตะพฤตตะพฤินี่ยท่านก็ท่านก็ห้ามเอาไว้ว่าอย่ากิน ไม่ใช่ว่าท่านสอนท่านสอนไม่คงเส่งคงวานะหรือว่าท่านไม่แน่นอนที่จริงเป็นเพราะว่าท่านรู้ว่ายานี่เหมาะกับใครแล้วก็ไม่เหมาะกับใครนะเวลาเราฟังครูบาอาจารย์เนี่ยนะเห็นคํำแนะนาของท่านเนี่ยแล้วท่านสอนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่เ อ, อท่านเอาแนวนอนอะไรไม่ได้นะไม่ใช่ แต่เพราะท่านรู้ว่าคำแนะนำเนี่ยบางอย่างเหมาะกับใครคำแนะนำนะบางคนเนี่ยนะสุดตรงไปทางหนึ่งนะสุดตรงไปทางว่าไม่สนใจเรื่องสมาธิจะเอาแต่ยางเดียวท่านก็ห้ามนะให้ลองใช้สมาธิดูให้ลองใช้ใช้ลองใช้จิตนะเยียวยาใช้ธรรมะเยียรธรรมะโอสถเยียวยาความป่วย แต่คนอีกคนนึงก็สุดตรงไปอีกทางนี้คือว่าแมวยาเลยนะอันนี้ท่านก็ท่านก็สอนเพื่อให้เขาเนี่ยมาอยู่ตรงทางสายกลางอั น, นั้นพวกเราเวลาศึกษาธรรมเนี่ยต้องใช้สติปัญญานะต้องใช้ความฉลาดนะว่าธรรมนะธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยข้อมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร เหมาะ ก, กับใครเหมาะ ก, กับกรณีไหนนะคนที่เฉยนะก็ต้องกระตุ้นด้วยนะวิริยะธรรมวิทยะปิตินะส่วนคนที่เรียกว่าไฮเปอร์นะหรือว่าฟุ้งซ่านมากนี่หรือขยันมากไปนี่ก็ต้องอสมาธินะหรือว่าปัสสัทธนะิอุเบคาบ้างนะ อุเบกขาก็จำเป็นนะเพราะว่าบางคนนี่เจออะไรนี่ก็จะอยู่ไม่สุขนะต้องเจอปัญหาที่ต้องพยายามดิ้นรนขวนขวายที่จะแก้มันโดยที่บางทีก็ไม่รู้ว่ายิ่งทำก็ยิ่งแยนะ่บางทีการอยู่นิ่งๆเนี่ยกับจะดีสักกว่าก็้นมาคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยนะ ยิ่งรักษาไปนี่บางทียิ่งแย่นะะคือเขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยไปเจาะค อ, อไปใส่ท่อไปปั๊มแรงต่างๆผ่าตัดเข้าไปอีกน ย, ยิ่งทําก็ยิ่งแย่ยิ่งรักษาก็ยิ่งทุกข์ทรมานในกรณีแบบนี้ต้องอุบเบกขาคือเรื่องทางกายก็คงต้องหยุดเท่านั้นแหละเว้นแต่ว่าดูแลบรรเทาความทุกข์เล็กๆในน้อยหรือวความทุกข์เช่นการหายใจหอบอันนี้ก็รักษาด้วยยาได้หรือว่า เจ็บปวดตรงไหนก็เช่นแผลกดทับนี่อาวก็รักษาไปคือช่วยใช้ยาเพื่อช่วยลดความทุกข์ทรมานแต่ประเภทว่าจะทำอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อให้ยื้อชีวิตอยู่ไปได้านานๆเนี่ยมันยิ่งสร้างความทุกข์ทรมานในกรณีนี้ต้องอุเบกขานะนะต้องอุเบกขาถ้าจะทำก็ทำเรื่องของการเยียวยาจิตใจให้คาแนะนาในทางจิตใจเพื่อให้ปล่อยวาง เนี่ยอย่างกรณีพ่อชงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะว่าว่าเขาจะมีลักษณะที่ใช้ได้ในบางกรณีแล้วในบางกรณีไม่ควรใช้เวลาเรามีปัญหาเวลาเราเกิดนิวรนขึ้นมาเนี่ยนะนิวรนเนี่ยมันก็มีทั้งนิวรนฝ่ายเชือแล้วก็นิฟอนฝ่ายฟุ้งนะฝ่ายเชือก็เช่นทีนิมิทะห่วงนอนนะฝ่ายฟุ้งก็เช่นอุทจักกุกุจจะเนี่ยฟุ้งซ่าน พุงซาเราเกิดเดืดร้อนลำคาญใจแล้วก็วิจิกิจช้ามันสงสัยอยู่นั่นแหละเอาแต่คิดนะอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าเออเมื่อเราเกิดอารมณ์แบบนี้เกิดปัญหาแบบ น, นี้เราจะใช้ธรรมะตัวไหนนะต้องใช้ให้ถูกอันนี้เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะปฏิบัติสมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่สมควรแก่ธรรมนี่ผิดนะนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าธรรมที่ประพฤติ ด, ดีแล้วย่อมนําสุขมาให้ตนนะ เราคงสวดมาแล้วเนี่ยคงผ่านตามาประโยคนี่แหละทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วย่อมน้ำสุขมาให้ตนทำที่ประพฤติไม่ดีแล้วเนี่ยมันทําความทุกข์ให้กับตนนะขึ้นชื่อว่ารำแล้วต้องประพฤติให้ดีด้วยประพฤติสมควรด้วยแม้จะเป็นธรรมแต่ประพฤติไม่ดีเอามาใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก่อทุกข์นะมันก่อปัญหานะายกเว้นตัวหนึ่งนะที่ ไม่ได้พูดถึงเลยนะในพุทชงเจตคือสติสตินี่จะมีลักษณะพิเศษนะคือว่ายิ่งมากยิ่งดีนะไม่ต้องมีอะไรไม่มีไม่ต้องมีตัวอะไรตัวไหนมากํากับไมื่เหมือนกับศรัท ธ, ธาเนี่ยศรัท ธ, ธาก็ต้องมีปัญญามากํากับหรือว่าธรรมวิจยาก็ต้องมีอุเบกขามากํากับนะมีปิติก็ต้องมีปัสสัตที่มาคอยกํากับนะมีวิริยะทีามากไปไม่ดีต้องมีสมาธิมากํากับ แต่ทางตรงข้ามสมาธิมากไปไม่ดีต้องมีวิริยะมากำกับมีสมาธิแต่ว่าเฉยเนื่อยไม่ค่อยขยันทำไม่ค่อยขยันไม่ค่อยขยันขันแข็งนี่ต้องไม่ถูกต้องเติมวิริยะเข้าไปแต่สติเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวแรกในพ่อชงเจดเนี่ยนะยิ่งยิ่งมากยิ่งดีนะเพราะว่าสติเนี่ยทําหน้าที่สองอย่างคือเป็นทั้งตัวเบรกและตัวกระตุ้นนะถ้าเบรกลดมันก็เป็นทั้งเบรกแล้วก็คันเร่งนะขณะที่ในพ่อชงเจดเนี่ย กลุ่มแรกเนี่ยนะเป็นตัวเร่งเป็นคันเร่งนะธรรมวิทยะนะวิริยะแล้วก็ปีตินี่พวกประเภทคันเร่งนะส่วนสามตัวหลังเนี่ยนะปะสัตติแล้วก็สมาธิแล้วก็อุเบกขานี่เรียกว่าเป็นตัวเบรกนะแต่ว่าสติเนี่ยเป็นทั้งคันเร่งแล้วก็ตัวเบรกพร้อมๆกันเป็นเลย คือแต่ยังช่เวลาเราตื่นขึ้มง่วงนอนเนี่ยนะถ้าเรามีสติปุ๊บนะมันจะสลัดความง่วงทิ้งเกิดความกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันทีนะมันทําให้เรานะทําอะไรด้วยความอากระตือรือร้อนขึ้นมาเลยแต่ในเวลาที่เราโกรรุ่มร้อนนะสติมันทําให้เราเนี่ยเย็นลงนะนเวลาเราโกรธเนี่ยเราอยากจะทำโน่ทนทํานี่อยากจะ อ, อยากจะดา่าอยากจะ ลงไม้ลงมือเนี่ยสติเป็นตัวเบรกว่าเผาเผาหน่อยเบาเาหน่อยนะสติมันมีลักษณะพิเศษนะที่ไม่เหมือนอกไม่เหมือนธรรมะข้ออื่นๆในพจชงใจคือเป็นทั้งคันเร่งแล้วก็เป็นทั้งตัวเบรกมีความเป็นทั้งยาแห้งแล้วก็ยาสดในเวลาพร้อมๆกันเมื่อนการมีสติเนี่ย ถ้าเราสร้างให้มากเลยเพราะสมาสติมันจะช่วยมากเลยเพราะฉะนั้นในพจนชงเจ็ดเนี่ยสติถึงมาเป็นตัวแรกนะนะเป็นพระเอกนะเพื่อที่จะช่วยทำให้รู้จักใช้พจชงตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยให้มันถูกต้องถูกกรณีไม่มีสตินี่ก็ใช้ปิดใช้พลาดนะหรือว่าเกิดอาการที่เราสุดโต่งเกินเลยไป สติมันทําให้เกิดความพอดีองั้นถ้าเราใช้สติเป็นแล้วก็ทําให้สติเพิ่มพูนมากๆเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยเจริญงอกงามพวกชงเจ็ดก็จะถูกนํามาใช้อย่างถูกต้องะจนกระทั่งเกิดอ่าความสุขความเจริญทําให้ความทุกข์บรรเทาเาบาบางไปนะและทําให้เกิดการตัดสู้หรือว่าการเห็นแจ้งในสัจธรรมได้